การส่งผลของกรรมดีและกรรมไม่ดีนั้นข้ามภพข้ามชาติได้กรรมในอดีตชาติส่งผลมาทันในปัจจุบันชาติก็มีไปส่งถึงในอนาคตชาติก็มีแล้วแต่ว่าผู้ทำกรรมจะสามารถหนีได้ไกลเท่าไหร่หรือหนีได้นานเท่าไหร่นั่นก็คือแล้วแต่ว่าในปัจจุบันชาติผู้ทำกรรมแล้วในอดีตจะสามารถในการทาจิตใจทาบุญทำกุศลทาความดีได้มากเพียงไหน เป็นกรรมที่ใหญ่ยิ่งหนักหนากว่ากรรมไม่ดีหรือไม่การให้ผลกรรมก็เช่นเดียวกับการตกจากที่สูงของวัตถุสิ่งใดหนักกว่าเมื่อตกลงจากที่เดียวกันในเวลาใกล้เคียงกันสิ่งนั้นย่อมถึงพื้นก่อนเปรียบดังก ร, รสองอย่างคือ ร, รมดีและกรรมไม่ดีกระทำในเวลาใกล้เคียงกันกรรมที่หนักกว่าไม่ว่าจะเป็นครรมดีหรือคำรรไม่ดีก็าตาม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 ครูอาจารย์สำคัญสำคัญท่านรับรองและพระพุทธเจ้าก็ทรงรับรองวัดชาติในอนาคตมีอยู่สำหรับผู้ยังไม่สามารถทำกิเลสให้หมดสิ้นได้และการทำกิเลสให้หมดสิ้นนั้นคนเป็นจำนวนมากทำไม่ได้ในเวลาอันสั้นทั้งยังมีคนเป็นจำนวนมากไม่สนใจจะทำให้กิเลสหมดสิน้นยังเกลือกลัวอยู่กับกิเลสอย่างหลงผิดดังนั้นพบชาติสาหรับคนเหล่านี้ จึงยังมีอยู่มากมายนักหนาใช้เวลานา น, านแสนนานนับพบนับชาติหาได้ไหมโอกาสที่กรรมจะตามไปถึงจึงมีมากมายนักไม่วันใดก็วันหนึ่งไม่ชาติใดก็ชาติหนึ่งและอยากคิดผิดว่าเมื่อถึงวันนั้นเวลานั้นก็จะจำไม่ได้แล้วว่าเราเป็นเราอะไรจะเกิดขึ้นก็ไม่เดือดร้อนความคิดเช่นนี้อาจจะเกิดแกเราแล้วในอดีตชาติ